ปีนี้ที่เขาลึกโลกมันจะเป็นไปต่างๆนาๆนาเนี่ยแต่ส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างแน่นอนคือโรคระบาดนะในเรื่องราว่าใต้ดินระเบิดก็ดีลูกกาบาดใหญ่ชนโลกก็ดีหรือน้ํำท่วมือสงครามก็ดีมันข้อมูลไม่แน่นอนแต่ที่แน่นอนที่ที่ค่อนข้างแน่นอนคือเกี่ยวกับโรคระบาดเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะ เพราะนั้นก็เราก็อย่าสะเพร่าสมัยเมื่อก่อนอมาเป็นคนสะเพร่าเป็นอันมากก็ได้รับวิบากรรมจากความที่ความรวดเร็วรีบร้อนใจเร็วสะเพร่าเนี่ยมากมายแต่ถ้าเราไม่มีการเจริญสติเนี่ยก็คงจะแก้ไขไม่ได้ เพราะว่าเราส่วนหนึ่งเราก็จะยึดติดในอัตลาตัวตนของเราว่าเราเป็นคนบุคลิกอย่าง น, นี้นิสัยอย่างนี้เป็นอย่างนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงอะไรตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อกันอย่างนั้นแต่พอมาเจริญสติแล้วเนี่ยเราเห็นชีวิตเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของเราได้สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเคยเป็นได้ที่นี้เราเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรงนี้คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต จากสนนรนรกชย์ขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้จากเปรกก็ขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้จากสุรกายก็ขึ้นเป็นมนุษย์ได้จากนิรันฉานก็เป็นมนุษย์ได้มาเป็นมนุษย์แล้วมันก็กลายเป็นเซ็นเตอร์ที่เราจะเลือกได้แล้วทีนี้นเซนเตอร์ที่จะเลือกไปในทิศทางของที่ดีขึ้นเรื่อยๆตามลงเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่กับเราเราทีนี้อืจะไปเป็นเทวดาจากเทวดาก็จะเป็นพรมจากพรมเป็น พระอริเจ้าขหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราเลือกได้แต่ถ้าหากเราเลือกได้ไม่มีใครคงจะเลือกในส่วนที่เป็นน égat ีฟส่วนลบแล้วเนาะก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเลือกที่เป็นส่วนบวกเท่านั้น น, ะ <c oughs> นั่นนี่คือนี่คือข้อดีของการเจริญปัญญาเนี่ยกเจริญปัญญาแบบนี้ว่าอยากจะเรียกแบบไ่คืออัปเกรดขึ้นมาอีกหน่อย จเจริญโลกุตตระปัญญาไม่ใช่จเจริญสติแนละ้วันส่งขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมีผลต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตในความที่เราเป็นคนหยาบร้อนเรียวรีบเนี่ยเขาเรียกปุถุชนะคือหยาบปุถุชนคือคนที่หยาบหนานะคือไม่ไม่ละเอียดไม่แ ย, ยบคายเป็นนิสัยนะ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นมากันแนั้นแต่ว่าคนบางคนที่เกิดมาที่มีบุญมาแต่กาเนิดเป็นคนเ <c oughs> รียบร้อยใจเย็นเป็นคนหนักแน่นไม่โกรธง่ายลักษณะนี้เขามีภพภูมิมาดีบรรพบุพรุษเขาสร้างมาดีอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันาของเขาแต่ในส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยก็ คือมินิวั ส, สนาที่มาจากพวกภูมิที่ไม่สูงนักนะเพราะนั้นเราก็เป็นคนที่ต้องมาสร้างไม่สร้างตัวเองก็โชคดีที่เรามาเจอพุทธศาสนาแล้วก็มาเจอครูบาอาจารย์ที่ได้อุบัติขึ้นในช่วงนี้เราก็ได้พบผ่านท่านเหล่านั้นแล้วเราก็เอาวิถีชีวิตของท่านนั้นปัจจุบันนี้ก็เราจะเห็นว่ามี ผู้รู้ผู้ค้นพบหลายคนที่นําเสนอทฤษฎีต่างๆขึ้นมาเราก็ไม่ใช่เอาทั้งหมดเราต้องเลือกใช้ในส่วนไหนที่มันเป็นมาตรฐานแล้วก็เราก็ทํานั้นเป็นประจําแต่ในส่วนไหนที่เกิดขึ้นมาใหม่เราก็ไม่ใช่ไปโทษเขาว่าผิดเพี้ยนหรือไม่ถูกเราต้องดูว่าถ้าสิ่งนั้นบางทีมันเป็นการค้นพบของคนบางคนซึ่งเราก็ต้องดูเลือกใช้ ว่าส่วนไหนที่เรานํามาใช้ประกอบในส่วนนี้สม solution, สมติว่าเราเลือกไอ้รูปแบบว่าจะเป็นมาตรฐานหลักแล้นะคือบางคนอาจจะรับรูปแบบนี้ไม่ได้ไปรับรูปแบบหน่เป็นมาตรฐานหลักบางคนไปรับรูปแบบพุทโธเป็นมาตรฐานหลักก็ให้ทําสิ่งนั้นจริงๆแหละทําให้มันพิสูจน์ได้ว่าเราสัมผัสมรรคผลได้จริงทําถึงได้ขนาดนั้นแต่มาตรฐานหลักอันไหนที่เราพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันสัมผัสมรรคผลที่แท้จริงไม่ได้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือว่าเรามาสัมผัสด้วยธีแบบนี้เราสัมผัสไม่ได้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปศึกษาอื่นได้จนกระทั่งรู้สึกว่าตนเองมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ตรวจสอบคําว่าในทางที่ดีขึ้นนั้นคือเป็นส ม, มาธิฏิที่แ ท, ท, ท, ท้จริงหรือเปล่าตั้งต้นกระตรงนั้นไม่ว่าสายไหนก็ตามต้องมาต้นต้นที่สัมมาทิฏฐิถ้าหากเราเราไม่ปฏิเสธเราไม่ใช่ว่าวิธีการนี้เท่านั้นนะวิธีเก่นไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้น ทุกวิธีการสามารถไปได้แต่ว่าเราจะต้องมาจุดเริ่มต้นที่จะสตาร์ทจากจุดนี้ไปสมมุติว่าเราจะไปกรุงเทพเนี่ยศูนย์กลางของจังหวัดแพร่นี่จะไปกรุงเทพมาเริ่มต้นกันณจุดไหนสมมุติว่าเรากําหนดจุดที่สามแยกอุตตรดิตถ์ที่สุดหนึ่งที่เป็นเซ็นเตอร์ตรงนั้น ไปพวกหนึ่งมาจากลำปางพวกหนึ่งมาจากเชียงใหม่พวกหนึ่งมาจากลำพูนพวกหนึ่งมาจากน่านจากพะเยาจากเชียงรายจากแพร่เนี่ยถ้ามาทางใสายทุกทุกเขาทุกคนเราไปเริ่มตน้นที่ว่าสามแยกที่จะไปอุตรดิตถอ่าตรงนั้นแหละไม่ว่าใครจะมาพุโทโธมานอมาสัมมรหังมาเคลื่อนไหวมาวิธีนั้นทีนี้นเซ็นเตอร์มต้องเดียวสมาธิที่เราไปเริ่มตน้นเงินตรงนั้น แต่ถ้าหากว่าใครจะไปกรุงเทพออกมาจากจังหวัดต่างๆภาคเหนือส่วนบนนะ่ะถ้าไม่เริ่มต้นนถนนแสดงว่ามันไม่ใช่ทางแล้วคุณจะข้ามเขาไปเดินที่ไม่มีถนนเก่ า, อาบอกชั้นไปทางศรีสัจจนาลายัยออกทางสุโขทัยก็ได้เนะี่ยแต่มันไม่เป็นทางอ้อมไม่นิยมไปกันอย่างนี้เป็นต้นนั่นแนะซึ่งในส่วนที่เป็นรูปรธรรมเนี่ยเราก็ต้องพิจรารณาในเมื่อเราจะเรียนรู้นามธรรมา ถ้าไม่มีหลักของรูปธรรมเป็นตัวเทียบแล้วเนี่ยเราไม่มีทางเลยจริงๆเพราะฉะนั้นรูปธรรมถึงจําเป็นสมมุติที่จําเป็นใช้ในลักษณะเพื่อส่องให้เห็นในส่วนที่เป็นนามธรรมเพราะนามธรรมมันไม่มีภาษาไม่มีจินตนาการนามธรรมก็เป็นตัวของมันเองแต่เราจะเข้าถึงเขาก็อาศัยสมมติเป็นเป็นเส้นทางนั่นนะสมมุติว่าเราจะไปกรุงเทพสมมติกรุงเทพือเป็นนามธรรมอันหนึง่ง แต่คุณก็ต้องผ่านเส้นทางไปถึงจุดนั้นไม่ใช่จูๆ่ๆคุณนึกจะไปกรเธอก็ถึงเลยไม่ใช่ต้องเดินเส้นทางเส้นทางที่ไปถึงจนเราเรียกว่าสมมติหนักก็เรียกว่ามาัรกในส่วนที่จุดไกลกลางกรุงเทพเนี่ยเขเรียกว่าเป็นปรมัดเรียกว่าผลอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือเป้าคือรูปธรรมที่เรานึกออกว่ามันเป็นอย่างไรนะฉะการเจริญสติเราจะในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะทาแบบ หยับหยาพื้นๆไปเรื่อยๆก่อนอมันเคยเคยเห็นเขาพวกเราก็คู่คนเคยๆใช่ไหมตำน้ำพริกแก่ใครบ้างเขาไม่เคยตำน้ำพริกยิมแปมปัจจุบันนี้มีแต่จับใส่เครื่องหมุนอย่างเดียว<อ>ใช่ไหมเคย เราก็ใส่อินกีลดิเนทั้งหมดได้ใช่ไหมว่าชิ้นขา ง, ง่าตาไข่พี่เคือเกลือปลาเข้าไปใส่นในครกใช่ไหมเป็นชิ้นไข่ชิ้นมันตัวแรกเขาโครโครกขขโครกโครไปเขาโครไปนานข้า น, านั้ น, นเข้าไปไงะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นยิ่งละเอียดแกงก็ยิ่งอร่อยใช่ไหมถ้าละเอียดน้อยแกงก็อร่อยน้อยละเอียดปานกลางก็แกงก็อร่อยปานกลางที่ละเอียดมากแกงก็อร่อยมากเพราะฉะนั้นเวลาโบราณ ออกนอกเรื่องีกแล้วนะ <c oughs> เรื่องมันเยอะเพราะฉะนั้นเหมือนกันการที่ในในตัวเราเนี่ยมันมีอะไรหยาบๆหลายอย่างเป็นอิกีเดียนราคะโทสะโมหะอิชาลิสยะเห็นแก่ตัวใช่ไหมโลกโกดหลงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องแกงเราจะต้องจำเอามาตำมาตำตาตาตำตา ลักษณะที่การตำเนี่ยภาษาหลวงพะเทียนแท้ว่าบทถลุงให้มันละเอียดอือุละเอียดละเอียดแล้วเรื่องการศึกษาสิกขาเนี่ตามภาษาปริยัตเขาแปลว่าเออนำไปสู่ความเจริญอย่างง้นอย่างนี้ทำชีวิตได้ให้สมบูรณ์ทำชีวิตให้ดีขึ้นแลื่การศึกษาอันนั้นเป็น definition แบบทางวิชาการ แต่เดฟ inition ของพวกเรียนนะศึกษาแปลว่าทลุงแปลว่าทําให้อมันหลอมมันเหลวมันย่อยเออตรงทีเดียวนะเหมือนกันนะที่เรามานี่เรามาศึกษาศึกษาตัวอะไรของเราที่มันหยาบหยาบวันวันมันเกิดจังหลายอย่างแล้วก็เอามาตําเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดเรื่องนี้ง่วงก็เป็นเครื่องแกงตัวหนึ่งใช่ไหม ขี้เกียจก็บบินเค่งแกงเครื่องแกงตัวหนึ่งฟุ้งซ่านกับเครืค่องแกงตัวหนึ่งใช่ไหมเครียดก็เปนเครื่องแกงตัวหนึ่งเครืค่องแกงหลายอย่างก็อามาตอกมาตํามันสิีเนี้ยอาการยกมือนี่ก็เป็นลักษณะอาการที่ตําอย่างนี้เลยใช่ไหมบางทีตําแล้วไม่ทอต้องเหยียบต้องบดด้วยนะบางสี่งบางอย่างนะพวกถั่วพวกอะไรในสมัยสมยัยโบราณเขาก็บดเหยียบกันนะใช่ไหมเขาไม่ได้ใช้ใช้เครื่องสีอย่างปัจจุบัน ถ้าปัจจุบันก็เปรียบเหมือนเครื่องบดน้ำพริกหรือเครื่องสีเนี่ยมาเป็นตัวครกแทนครกอั น, นยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะ <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็มองในสโคปที่กว้างขึ้นไม่ใช่อะไรก็รู้สึกตัวอะไรก็รู้สึกตัวก็รู้สึกตัวมันเป็นปรมามัดแต่คุณไม่มีสมมติเข้าไปย่อยเลยคุณจะไปถึงมาได้ไงแต่ก็ดีนะก็ทําไปแต่บางคนเขายังไม่พร้อมที่จะรู้สึกตัวแบบตรงๆซื่อๆเนี่ยนะ ก็อาศัยพวกนี้เข้าไปช่วยบดช่วยย่อยอาหารบางอย่างสําเร็จรูปมาแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาตำน้ําพริกใช่ไหมเอออย่างนั้นก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยปลอดภัยอาหารแบบนั้นใช่ไหมอาหารสําเร็จรูปดังนั้นการเจริญสติในแต่ละระยาบทจากในบทนั่งจนยืนเนี่ยถ้าจับรายละเอียดของเขาเนี่ยได้เยอะเลยใช่ไหมหล้วจากยืนที่จะไปนั่งก็เหมือนกัน ก็จับละเอียดไม่ใช่ปุ๊บภาพบเดี๋ยวนั่งเลยมันก็หยาบมากใช่ไหมเดี๋ยวคุณค่อยลุกตามงลำงดับเนี่ยอันนี้คําว่าละเอียดนะนี่คําว่าบทละเอียดใช่ไหมมันเชื่อไปท่าไหนคุณคุณจะปรายละเอียดมันให้เยอะอันนี้คือวิธีการจําซักทำจากหยาบให้ละเอียดแล้วในช่วงที่ลุกขึ้นเนี่ยคุณจะเห็นในเรื่องเยอะใช่ไหมความรู้สึกที่ตึงที่เครียดที่ปวดที่เมื่อยที่ เน็บที่ขัดที่ยอกอะไรมันค่อยคลายไปเห็นไหมใช่ไหมพอเราอยู่นี้นานๆมันตึงมันเจ็บมันปวดมันเครียดแล้วก็เออมันเกิดขึ้นอย่างไรมันเริ่มสตาร์ทของมันอย่างไรไอ้จุดเนี่ยมันทำไมจึงตึงใช่ไหมพอหยับนิดเดียวทำไมมจึงผ่อนคลายไปพอดืนแบบเกร็งๆทาไมมันจึงตึงๆๆเครดขึ้นเรื่อยๆแล้วค่อยๆสังเกต น, น, นั้นคือคือบทภายใน พอบทภายนอกก็คื อ, อเราจะนั่งเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย <c oughs> ที่บอกในวันก่อนว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีเหตุการณ์ในการเคลื่อนไหวเป็นหมื่นมืนเรื่องแต่ในแต่ละเรื่องเนี่ยเราจับรายละเอียดแต่ละเรื่องเนี่ยได้เท่าไหร่นั่นคือเป็นเครื่องวัดถึงความทีความละเอียดของเราถ้าใครสามารถทำได้เงี้ยมาว่าไปได้ทุกคน มันต่างกันตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นตัวครูบาอาจารย์กระเรียนมิ่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้ในจุดนี้คือชี้ในจุดที่เรายังยังไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยนึกถึงหรือยังนึกไม่ออกด้วยสิ่งเหล่านี้ซึ่งเอามาเองก็ไม่ได้ว่าจะเรียนจากครูบาอาจารย์ทั้งหมดแต่ว่าเราก็ต้องมาเรียนรู้มาพัฒนาเอาเองจากประสบการณ์ที่ เราต้องเราจะเลื่อสติแบบนี้เราจะนึกว่าเอ๊ะไอ้ความก้าวหน้าถอยหลังไปยังไงเราเก้าวหน้าแค่ไหนทําไมไม่ก้าวหน้าเพราะอะไรเราเริ่มหารายละเอียดเราไม่ไปตําหนิสํานักหรือครูบาอาจารย์เพราะ่านั้นสอนไม่ดีทําให้เราไม่ก้าวหน้าอะไรเนี่ยเราจะไม่คิดอย่างนั้นแต่รายละเอียดอยู่ที่เราอย่างครูเนี่ยสอนเลขเรามาเวลาทําเลขผิดเราโทษครูว่าสอนผิดไหม ม, มาโทษตัวเราแล้วทำไม่ถูกต ร, ตรงนี้คือส่วนใหญ่เราจะไปคิดอย่างนั้นครูอาจารย์ท่านไปสอนมาถูกแต่แบบของท่านไปนอย่างเนี้เลขอย่างเนี้บางบางคนเนื้อเลขตัวเนี้ก็จะได้คําตอบเนี่ยยาวบางคนนะบางคนทําคสั้นได้คําตอบแล้วบางคนทํากลางๆได้คําตอบแล้วมาเคยเรียนเลขกับอาจารย์สมที่มหาชูลาเขาจะมีแบบพุ้ธเจ้าทำแบบ สั้นก็ได้แบบยาวก็ได้แบบสั้นก็ได้เลขหางหมาพูผับออกมาเป็นคำตอบเลย <c oughs> เขาให้สูตรมาเรียบร้อยเลยเนะี่ยอันนี้คือทฤษฎีแบบโลกๆเนะี่ยเขาก็จะมีสูตรการพิสารละเอียดช็อตคัดอะไรต่างๆเนะี่ยวิธีการเจริญสติก็เช่นเดียวกันซึ่งมันไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่เราจะไปยุ์จากตัวที่รูปธรรมที่เป็นสมมติให้เป็นปนมะตรงนี้ได้หรือไม่เนี่ยตรงนี้แหละคือปัญญางแต่ละคน ตรงนี้สอนกันไม่ได้นะแต่บอกกันได้แต่เอาไปจะทำเป็นหรือไม่เนะี่ยเราจะต้องมีความจริงใจมีความศรัทธาต่อเรื่องนี้จริงๆนะถ้าไม่มีความจริงใจไม่มีศรัทธาต่อเรื่องนี้จริงๆเนี่ยโอ้โหทำไปเลยสิบแบบนี่สิบแบบ เบื่อพุโทโธไปเอาเนาอเบอร์เนอเอาเคลื่อนไหวเบื่อเคลื่อนไวาาหวสม า, าหังไปสมาหลังไปเคลืแบบ่อนไหวแบบโน้นแบบนี้คุณทำไปเหอะมันไปไหนหรออาจารย์โน้นก็ไม่ดีอาจารย์นี้ก็ไม่เข้าท่านะแล้วไม่เคยดูตัวเองเลยว่าตัวเองทำไม่เข้าท่าไม่เคยดูเลยตรงนี้แหละเป็นเรื่องสําคัญเราจะต้องแยกย่อยในส่วนที่ปฏิบัติของเราเนี่ยให้ละเอียดละเอียดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น สมมติตอนเมื่อก่อนหยาบๆเราไม่เคยปฏิบัติเนี่ยเราดูหญิงเป็นหญิงดูชายเป็นชายูย่คนนั้นขี้เหล่ดูคนนั้นสวยดูคนนั้นแล้วก็ดูออกมาแบบนั้นใช่ไหมพอเราปฏิบัตินานเข้านานเข้านานเข้ามันก็เกิดปัญญาเกิดรู้เห็นความเป็นจริงจากเราเองเราเริ่มค้นหาความตัวเราเองก่อนตัว เ, เองมีสุขอย่างไรมีทุกข์อย่างไร <c oughs> ความวิชาดัานหาวทานว่าเราเป็นผู้หญิงผู้ชายมันเกิดจากอะไร ควจริงเราละเอียดภายนอกเนี่ยเพื่อจงไปเรียนรู้สิ่งที่ละเอียดภายในแต่ถ้าเป็นไม่มีความรายละเอียดภายนอกเป็นโมเดลเนี่ยมันเข้าไปไม่มีตัวอะไรที่จะนำพูดสู่รายละเอียดภายในได้ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นยิ่งยิ่งละเอียดมากเราก็ยิ่งจะได้ผสมผสานกลุ่มกลืนในจุดเนี้มากขึ้นอย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็แข่งกันในเรื่องรสาหารใครทําอร่อยกว่าใช่ไหมเขาคนที่ร่ำรวยหมายควาเขาละเอียดกว่า คนที่ทำไม่อร่อยเลยไหมของวาหยาบมากจับนุนน์ใส่อันนี้มันก็ไม่มีรสไม่มีชาดหรือรสชาติออกมาไม่เต็มที่ของมันเพราะเราทำหยาบหยาบเหมือนกันบางคนจเจริญสติและสนุกมากจเจริญทำกรรมฐานและสนุกและก้าวหน้ามากมันสนุกมากอร่อยมากแต่บางคนทำแล้วไม่เห็นไม่มีอะไรเลยทํำมาทั้งปีทั้งชาติก็เหมือนเดิมไม่เห็นพัฒนาอะไรเลยก็คุณไม่นึกถึงความเป็นจริงไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ เราจะต้องศึกษาเราเริ่มต้นจากเราเนี่ยว่าทุบท้องตัวเองเอ๊ะเราปฏิบัติมาตั้งนานทำไมมันยังไม่เปลี่ยนแป ล, ง, ปลง่สังเกตไหมเวลาคนจำครกอะ่ะถ้าเด็กํำน้ำพริกกับผู้ใหญ่ํำน้ำพริกใหญ่ต่างกันไง ใช่ไหมเด็กตำคนไปชั่วโมงมันยังไม่ละเอียดเลยก็เก็โก็เก็มันไม่รู้วิธีใช่ไหมเอามาขาสังเกตนะคนไหนตำนาะพลิกละเอียดได้ไวนะเขาพลิกตรงนั้นพลิกตรงนั้นเขามีวิธีของเขาแหละ <c ười> สมัยเป็นเด็กเนี่ยเาเคยตำข้าวเนี่ยตำข้าวเนี่ยมันต้องเปลี่ยนสากทั้งหลายครั้งนะไม่ใช่ใช้สากเดียวนะเวล า, าคุณเริ่มต้นคุณต้องใช้สากเล็กสากแหลมใช่ไหมเพราะมันจะได้จี้ตรงจุดเดียวมันจะได้บดไวๆพอกลางๆขึ้นมาคุณจะไปใช้สากเล็กไม่ได้แล้วเพราะอะไรจำให้ข้อสารเละต้องสากที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึง พอพอมันใกล้จะหมดเราก็ต้องสากที่ใหญ่ขึ้นมาอีกเห็นไมเปี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนไปเรื่อยวิธีการก็เหมือนกันเพื่อเจริญสติขั้งแรกในคุณอาจจะทําร้อนทําเร็วทําแรงเพราะมันหยากมากก็ต้องทํามากเหมื่อนงในความคิดปรุงแต่งมันไม่ออกถ้าไม่เร็วไม่แรงไม่หยาบขนาดนั้นใช่ไหมมันก็ต้องใช้สากที่หยาบใช้วิธีจัดการที่มันรุนแรงและแหลมคมมันถึงอย่างนั้นพอเริ่มจิตเริ่มเชื่องขึ้นมาหน่อยเริ่มสุกตัวมากขึ้น ก็เปลี่ยนวิธีการที่นุ่มนวลลงช้าลงใช่ไหมอพอมันสติมันละเอียดขึ้นนิ่งขึ้นอยู่ปัจจุบันได้มากขึ้นไม่ค่อยปร่งก็ใช้ยิ่งการสัมผัสต่างๆก็นุ่มนวลขึ้นช้าลงเหมือนสากที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่คือวิธีการให้นึกถึงชีวิตจริงแต่พวกเราค่อนข้างจะเสียเปลือบตรงที่ว่าชีวิตสมัยเด็กๆเนี่ยสบายเกินไป มันขึ้นนึกภาพเหล่านี้ไม่เคยออกเยอะนะสบายเป็นไปแม่เลี้ยงพ่อส่งไปโรงเรียนกลับมาทําการบั่นอออกกีฬาเล่นคอมพิวเตอร์เล่นดนตรีไปอย่างเงี้ยสมัยลุงพ่อไม่ใช่อย่างนั้นนะเออไปโรงเรียนกลับมาบ้านหนูขึ้นแปลงผักปลูกผักเอาปลูกผักยังไม่ทันโตไปหา เหัวมีลูกมันหาม้าขาวเม้าส้มไปขายขายแล้วอตอนกลางวันว่างไปหาตกเบ็ดสะปลาหาปลามาเลี้ยงเคาะเลี้ยงแม่เลี้ยงเคาะวันนี้ในสมัยอะดมาใช่ไหมมันไม่มีอะไรสบายเลยนี่พอมาปฏิบัติธรรมมันก็นึกถึงภาพเหล่านี้เอามาประยุกต์ใช้ใช่ไหม <c oughs> ดังนั้นแต่ยังไงก็ตามในชีวิตสมัยใหม่ความเสียเปรียบั้งแต่ได้เปรียบก็คือว่ามันได้สัมผัสในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีตา่างๆ ซึ่งมันจะให้รายละเอียดเราสูงมากแต่การไปสัมผัสนั้นได้เราขาดสติปัญญาเทคนโลยรีเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะให้รูปธรรม ท, ที่สอดคล้องกันนำมาทำได้เราก็ไปบริโภคนะเสียส่วนใหญ่ไม่ได้หาดูรายละเอียดดังนั้นเองเวลาเราเจริญ <c oughs> สติความรู้สึกตัวเนี่ยเราสมมุติว่าทุกขเวทนาที่หยาบๆยาเนี่ยเป็น เป็นลักษณะของหยาบกร้างใช่ไหมทีนี้อเวทนานี่จะทําให้มันเป็นกลางทําให้มันละเอียดได้อย่างไรใช่ไหมเราสมมุติความเจ็บความปวดความตึงความเครียดเนี่ยเป็นส่วนห ย, ยาบๆใช่ไหมล้วก็ทดสอบว่าเออให้มันเป็นกลางได้ไงออคุณขยับมันเป็นกลางเพราะขยับเปลี่ยนไปเต็มที่ถือว่าอาการหยาบนันหายไปมันกลายมาเป็นอะไรเป็นละเอียดใช่ไหมครกเนี่ย น, น้ำพริกเนี่ยอาจจะ ตามเรเป็นชั่วโมงกว่าจะละเอียดได้อันนี้เราพิกแค่วินาทีเดียวมันละเอียดปุ๊บเลยเนี่ยนี่คือคือความต่างของเนี่ยใช่ไหมไอ้พิกี้มันเนบมันหน่วงมันหยาบหยาบอยู่พอคลิกนิดเดียวมันละเอียดเลยอ่าแต่ถ้าเป็นวัตถุที่มันตายตัวที่มันกระด้างที่ไม่มีนามธรรมอยู่เนี่ยมันต้องอาศัยเวลาแล้วแต่ความหนักหน่วงนะแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ทําให้มันไปเสียเวลาใส่เครื่องปัน่นมูลินิกปลืด้ดเดียวนะ่ะละเอียดยิบเลย อันนี้ก็วิทยาศาสตร์ก็พัฒนาไว้อันนั้นทังนะ้งวันใช่ไหมเมื่อก่อนหรืมะโคร ก, ก็จะแหลกได้ก็ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวนี้ใสเข้าไว้พลิ้วเดียวแค่นาทีสองนาทีก็ละเอียดยิบละเห็นไหมนี่ถ้าคุณพวกเราคยสังเกตแม้ในส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็สามารถที่จะมานํามาเป็นข้อมูลทางด้านหนามาทําได้ดังนั้นเวลาเราจะทําอะไรก็ตามแม้แต่ยกเถ้าคุณยกปุ๊บป๊อก็ไม่ถือว่าหยาบใช่ไหมอ่า สำหับจิตเราหยาบอยู่ mm hmm. แต่บางคนจิตตัวเองหยาบก็ไม่รู้ว่าอยากจิตตัวเองละเอียดก็ไม่รู้ว่าละเอียดตรงเนี้ขาดขาดความแยบคายขาดข้อมูลไม่เชื่อใครไม่ฟังใครเอาแต่ดันทุนลังไปแต่วความคิดของตัวเองคนอย่างนี้ต้องปล่อยไวนะ้ปวดให้ทุกข์ให้หนักหนักเสีก่อนแล้วค่อยกลับาคนประเภทนี้ต้องปล่อยให้ทุกขนะ์หนาเพราะเขามีวิบากกรรมของเขา อาจารย์สอนอย่างหนึ่งก็จะทําอย่างหนึง่งอาจารย์สอนอย่างหนึง่งท่านจะทํำของฉันนะท่านก็ทําของท่านไปเสียบางทีพระนี้ต้องปล่อยให้ทุกไปหนักๆ ก, ก่อนอถ้าทุกแล้วไม่ได้ปัญญาก็ปล่อยให้ตายไปเลยผมก็ <c oughs> อเอ า, อ ย, างงอย่างนั้นนะี่เองบางครั้งเราพูดแล้วนีว่ยเขาเขาก็ไม่ไม่ตามนะก็ปล่อยก็ไปเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นเป็นนักศึกษาการเรียนรู้ทดสอบพิสูจน์ ในวิธีการอันนี้นะแต่จะไปดันทุนลังตามความคิดตามทฤสัยเดิมมึงหนุนไม่เปลี่ยนแปลงนะโอ้พัฒนายากนะปฏิบัติไปสิปีย0สิปีก็เหมือนเดิมตรงนี้เขาเรียวกว่าวิบา ก, กรรมนะวิบา ก, กรรมตรงที่อาจจะสืบทอดมาแต่ไหนนะแต่ปู่ย่าตายายความอวดๆๆดือถือดีล่ะเนี่ยมันอาจจะสืบทอดกันมาหลายโชัวคนมาตกเรามาแก้ไขา ย, ยากนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการพิสูจน์ท่านว่าอย่างนี้จริงไหมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเชื่อและอย่าปฏิเสธถ้าพิสูจน์ดูว่าใช่ไหมใช่ไหม ก, ก, ก็ทำไอการที่เราพิสูจน์ไม่ได้ไหมายความว่าเราเชื่อเขาแต่เราต้องการที่จะศึกษาความจริงทุกอย่างทุกต้องกําหนดรู้ไงต้องกําหนดรู้อะไรก็ตามคือการรู้การศึกษาการพิสูจน์นั่นเอง กำหนดรู้ดอนนั่นอ่ะใช่ไหมการศึกษาการพิสูจน์การหารายละเอียดเนี่ยนั่นแหะคือทุกกาหนดรู้อันนี้กําหนดรู้ก็กำหนดรู้คําเดียว่ทําไมไม่แยกประเด็ตบตบรู้อย่างไรอะ่ะพิสูจน์ศึกษาแยกย่อยพิจารณาวิเคราะห์วิวจัยนั่นกหนดรู้แบบนั้นนะทีนี้พอกําหนดรู้ถึงเหตุถึงผลถึงตงน้นถึงปลายมันดีไม่ดีทุกต้องอสมูทัยของมันต้องละสมูทัยอันไหนดีทําต่อสมูทัยไหนไม่ดีละ สุภะให้นินจมต่อเป็นนิโรธแล้วใช่ไหมเป็นมครคไปเลยนะมันก็มีเป็นขบวนการกันเดียวแช่ลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยเรื่องอริยสัจสีก็ก็ทำงานละวถ้าเราเข้าใจถูกนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเข้าใจถูกต้องเป็นส ม, มาทิฏฐิแค่นั้นน่ะมันจะคําว่าสมะทิฏฐิที่ว่ได้ดวงใจเห็นธรรมคือหมายวมันเห็นทางแก้ไขตัวเองว่าตัวเองแล้ว เ, เห็นตัวเอง เรามักจะใช้คําพูดดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกปลูกคุณธรรมที่เราต้องการลงไปไอเสโลแกนปรัชญาตรงนี้เมื่อวานครูคนหนึ่งมาจากสุกลนครเขาบอกเขาไปฟังเทวตมาเอาคําพูดนะไปใช้กับ น, นักเรียนอู้เวิร์กเลยเพราะงนันมากกวนักเรียนเขามีนักเรียนในเรียนแปคนแล้ว ก, ก็เป็นครูฝึกสอนตรงนี้เขาเป็นครู สอนมัธยมเอ๊ะสอนภาษาอังกฤษมานานก็อยากจะเด็กๆข้างเราประถมนั้นไม่มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษเลยเขาก็เลื่อนตัวมาสอนประถมคนอย่างนี้เขามีความคิดที่สร้างสารรค์เป็นของตัวเองเขากล้าเปลี่ยน แ, ะะ น, น, น, น, นแปลงตัวเองเพราะฉะนั้นการพัฒนาคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยจะทําอะไรก็ก้าวหน้าปรากฏว่าเขากลายเป็นครูดีเด่นประจํา ภาคประจำจังหวัดไปเลยที่เขามาเมื่อวานเขาบอกอยากจะเห็นตัวหลวงพ่อทั้งนานแล้วฉันเอาคนผู้ของพ่อไปใช้แต่ว่าฉันไม่เห็นตัวหลวงพ่อเลยเออก็มีเหมือนกันคนอย่างเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยเราจะต้องละเอียดถี่ถ้วนในการทําอะไรแต่ว่าไม่ใช่ทําได้เลยนะสิ่งเหล่านี้ยากเราต้องฝึกอาตมาก็จะฝึกได้อย่างนี้มาก็เป็นคนหยากมาก่อนหยากมากๆยาบประยุกต์ด้วยนะแต่พอฝึกไป ทำไมเราจึงเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนตัวเองได้เพราะเราเห็นทุกข์เราเห็นโทษของมันก่อนนะเราเห็นทุกข์เห็นโทษของความหยาบความกล้านความไม่ดีความเกกะความจับจดอะไรต่างๆมันทําให้เราได้เรื่อความผิดพลาดเจ็บปวดใช่ไหมทําให้เราต้องบอบช้ำและทุมทุกข์กับมันนะ่ะทีนี้พอเราจะเลยสติเป็นนานเข้านันเข้ามันก็เรียนรู้แต่สําหรับคนอื่นเขาาอาจจะเรียนรู้ไวกว่านี้นะ แต่สำหรับเาจะมาอาจจะยากมากๆเลยลุยช้ามากแต่เห็นเห็นคุณค่าของสิ่งนี้ชัดแล้วก็ใช้ความพยายามสูงมากกว่าจะบดหินลงมาเป็นซีเมนต์มันไม่ใช่ของง่ายใช่ไหมปูนซีเมนต์ก็มาจากหินแข็งๆใช่ไหมหินปูนแข็งๆเนี่ยกว่าจะบดมาเป็นซีเมนต์อย่างละเอียดยิ่งละเอียดเนี่มันก็ยิ่งแน่นใช่ไหมคุณจะเอาปูนซีเมนต์ผงที่เผาแล้วไปเป็นปูนฉาบเนี่ยมันจะติดไหมไม่ติด ต้ออาปูนที่เผาแล้วมาทําให้ละเอียดลงไปยิ่งละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพลังใช่ไหมก็สามารถดูดหินดูดดินด้วยกันติดแน่นเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสติที่เรายิ่งย่อยละเอียดเท่าเดิมยิ่งมีพลังยิ่งพลังก็จะดึงดึงดูดโดยจิตของเราที่มันเคยปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปอย่างรวดเดียวเข้ามาอย่างรดวดเร็วหนักแน่นเพราะฉะนั้นไอ้เขาพวกนักวิทยาศาสตร์มันก็เลยเอาทฤษฎีเนี่ย ของุทธเจ้ายตัวนี้ไปผลิตนิวเคลียร์จากวัตถุอยาบๆเนี่ยออามาเป็นนิวเคลียสใช่เป็นนิวเคลียสเป็นปรามานูแล้วก็แค่ลงที่ญี่ปุ่นแค่สองลูกคนตายเป็นแสนน่ะใช่หม แล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันทั่วโลกมันสะสมไปกี่ด้วยอนิวเคลียร์แบบนี้โลกมั น, นีพร้อมที่จะระเบิดอ่ะถ้ามันเกิดสนนมีอย่างลยแค่ญี่ปุ่นจุดเดียวก็เดือดร้อนไปทั้งโลกกันนะใช่ไหมเออสารานินิวเคลียร์ที่มันย่อยวัตถุออกมาให้ละเอียดมีพลังมากสามารถผลิตพวกลังสีพวกไฟฟ้าได้เนี่ยทำวัตถุที่หยาบนะฮะออกมาเป็นละเอียดแล้วก็มีพลังใน ลักษณะเดียวกันพุทธเจ้าตแต่สรุปเนี้มานานแล้วแต่วิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มันเอามาผลิตเป็นวัตถุทําไมพุทธเจ้าจะไม่คิดออกมาเป็นวัตถุเพราะว่ามันมีแต่สงครามท่านว่าเพราะฉะนั้นพอพัฒนามาเป็นนามธรรมามันจะกลายเป็นสันติภาพคือนิพพานไปคนละขั้วเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าพัฒนาไปทางด้านวัตถุเนี่ยมันจะทําให้โลกนี้อยู่ไม่ได้อย่างที่เราได้ทราบกันใช่ไหม <c oughs> โลกนี้มันจะมันจะอยู่ไม่ได้ นิเคลที่มีอยู่ปัจจุบันนะเขาบอกว่าสามารถระเบิดนี้ให้โลกนี้ให้ระลายไปถึงสี่ครั้งได้ขณะนั้นนะที่มันสัสมกันว่าเนะี่ยจีนกี่ลูกอเมริกากี่ลูกญี่ปุ่นกี่ลูกอ่าโลกและในโลกนี้มีอยู่40่ ล, ลูกเด้นี่อ่าเพราะฉะนั้นในจุดของรายละเอียดที่เรามนุษย์ที่เป็นหยาบหยามาก่อนไม่ว่ากายที่ทำอะไรหยาบหยาบวาจาที่พูดอะไรหยาบหยา จิตที่คิดอะไรหยาบหยาบเนี่ยย่อยมันลงมาย่อยมันลงมาเอาสติตัวนี้แหละเข้าไปเจื่ยจางเจื่ยจางเจื่ยจางเชื่ยจางพอเทียนท่านพูดเมื่อวานเะหมือนน้ำสีนะท่านพูดบ่อยมากถ้าใครเก็ตบ้างก็แบบรู้นะเหมือนน้ำสีเต็มกระป๋องใช่ไหมเอาไปวาดตับเขียนมันก็ติดหมดอะแต่ทีนี้พอเติมน้ำเปล่าเข้าไปเติมน้ำเปล่าเข้าไปเติมน้ำเปล่าเข้าไปเรื่อยเรืยเสีนี้เอาไปเขียนติดไหมที่นี้ ไม่ติดเลยนะหมดสภาพความเข้มขน้นความหยาบของนิสัยของเราเนี่ยไม่ว่ า, าราคะโทสะโมหะมันจะเข้มข้นขนาดไหนก็ตามเจือตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่กลางกลางเีนะ่ยเจือตัวเป็นกลางได้ลงไปเจือลงไปเจือลงไปเจือลงไปเจือลงไปสภาพที่มันเคยเข้มมันก็เป็นกลางมันก็สลายมันก็หมดสภาพ เราถ้าหากว่าสภาพที่เข้มข้นสามารถเอาไปติดอะไรก็ติดเราเรียกว่าอุปาทานใช่ไหมอุปาทานว่ยึดติดอะไรหรืออุปาทานเมื่อเราทําตัวสติสมาธิปัญญามากๆเนี่ยมันเหมือนเพิ่มน้ําปล่าลงไปเท่าน้ําเปล่ามันก็เข้าไปสลายความเข้มข้นของราคะโทสะโมหะเพราะเมื่อก่อนในสมัยที่เราไม่ได้ปฏิบัติเราจะดูอะไรเราจะรักใครชอบใครมันหนุบหนักไปหมดใช่ไหมมันดึงมันดูดมันชอบ แทบจะกินกันได้แทบจะตายแทนกันได้ขนาดนั้นนะ่มีออ๋ยวมันแน่นขนาดไหนเออแล้วก็คนก็หลงมีลูกมีผัวมีเมียกันทุกหัวบวกหัวบา้าลทุกกันหัวลานหัวหลอกมันก็ไม่ไม่เข็นไม่เลาวใช่ไหมเพราะว่าด้วยอํานาจของไอ้แรงดึงดูดของอุปท า, านที่ความหยาบตัวนี้ใช่ไหมจนกระทั่งเราได้ทุกปังตายเนี่ยพวกเราที่เข้ามาปฏิบัติถ้าไม่ได้ทุกปังตายไปก่อนก็ไม่ได้มานั่งปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมมันทุกแถวปังตายนั่นนั้นเลย เออมันสะใจจริงๆเนี่ยเรือ่องนี้ทำํำไมทุกจนสะใจม า, มาไม่ได้หรอกนะ เ, ออเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องต้องมองให้เห็นชัดๆนะแล้วมันจะมีความสุขในการปฏิบัติมันจะไม่ได้นั่งปฏิบัติแบบท้อแบบพลอยแบบเบือ่อเมื่อไหรจะจบเมื่อไรจะรู้เมื่อไหรจะได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้คิดถึงจุดนั้นละคิดว่าแต่ละขณะของิฉันเนี่ยจะทำไงให้ฉันรู้ตัว ใช่ไหมถ้าเข้าใจแบบนี้นะคุณอาจจะมาครั้งเดียวครั้งต่อไปว่าคุณปฏิบัติที่บ้านสนุกกว่านะมีเครื่องเล่นเครื่องหาให้ทำเนเยอะกว่าแต่ถ้าสติปัญญาไม่พอมันก็ไม่ใช่กับเพราะอนาะการที่เรามาบ่อยๆเนี่ยมันการย่อยแยกสติปัญญาให้แหลมคมขึ้นแหลมคมขึ้นเหมือนเราเอามีดไปใช้แล้วมันบานมันบินมันทู่นะ กลับมามาเข้าหลงเหล็กตีใหม่เพราะชุบใหม่ก็ไปฟันชั่วเชาชวช า, วชาวดีนะที่ที่ฟันเพลินเมีดทู่อีกแล้วเพราะเพลิไปฟันใสหินอีกนะเอากลับมาโดนว่าโดน อ, อัดเข้ามามีดบินแล้วกลับมาเยียวยาใหม่มาเข้าหลงตีใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะที่ได้ไปมามาหลายๆครั้งนี่นะแต่บางคนรับมีดคมแล้วเนี่ยโอ้ใช้อย่างระมัดระวัง แล้วก็หาหินของเองของตัวเองจังหากด้วยนะไม่ต้องมารับที่วัดแล้วไม่ต้องมาเข้าลมตีบ่อยๆแล้วถึงเวลาก็รับเอาไว้ถึงเวลาก็รับไว้คนนั้นมาครั้งเดียวก็กาวหน้าไว้ร่วนร่วนวนเลยอันนั้นก็มีเหมือนกันนะดัง вот นั้นเราจะเห็นว่าเราต้องเห็นคุณค่าของสติความรู้สึกตัวเล็ ก, ลกๆน้อยๆเนี่ยให้ชัดๆและเห็นโทษทอของความหยาบคายของตัวเองให้ชัดๆ ว่ความหยาบคายความอดดื้อถือดีหัวร้นของเราเนี่ยมันทําให้เราต้องเจ็บปวดและทุบทุบมาขนาดไหนเราต้องเห็นโทษของมันถ้าไม่เห็นโทษของมันอนะ่ะเรียกว่าเป็นวิบากกรรมแล้วคนนั้นก็จะเจ็บป่วยเขาเจ็บป่วยด้วยหาสาเหตุไม่ได้แหละนะเพราะอะไรเพราะมันละเอียดเกินไปนะดังนั้นเองในจุดนี้มาถึโอ้วุฒิเจ้าในสอนเราโชคดีจริงๆได้มาพบนะถ้าเราไม่พบท่านเราจะมาเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ไงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม ก็สอนกันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีเนี่ยตอนนั้นเองขอให้เราได้ได้ศึกษาได้ทําความเข้าใจเรื่องนี้ไปเรื่อยๆแล้วมาว่าทุกคนถ้าเข้าใจเนี่ยทาได้ปัญหาสําคัญคือการทําความเข้าใจเพราะมนุษย์ของเราเป็นเป็นสัตว์ที่มีสติปัญญามันสมองแล้วก็สามารถจะเข้าใจอะไรได้ง่ายได้เร็วแต่ถ้าเกิดศรัทธาเกิดความเพียรนะแต่ถ้าไม่มีศรัทธา ไม่มีศรัทธากันอืหลวงพ่อพูดอะไรฟุ้งซ่านไม่เห็นมีสาระเลยนี่ไม่ศรัทธากันก็ต้องมองออกแบบนี้ใช่เออทั้งศรัทธากันเออรู้สึก อ, อื้อเข้าท่าอะไรตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องศรัทธาก็เป็นตัวสำคัญในการยอมรับในการฟังแล้วเราก็สามารถเอาไปย่อยไปแยกไปพิจนารณาให้ชัดเจนขึ้นและตัวนี้แหละจะทำให้เราทาอย่างสนุกสนานเหมือนกินอาหารที่อร่อย ใช่ไหมกินแล้วลู้ไม่รู้จะอิ่มเลยนะไม่อยากจะอิ่มเลยะแต่อันนีก้การเจริญสตอิอยู่ที่ไหนก็อยากจะทำทำแล้วไม่อิ่มเลยตัวนั้นให้ให้เป็นเข้าใจเป็นสัญญาณที่ดีว่านั้นปฏิบัติของเราก้าวหน้าแล้วอยู่ที่ไหนก็รู้สึกขาดมันไม่คยได้นี่นะแต่บางคนเอ้คุณเสพติดหรือปล่าเนี่ย อ, อรู้สึกว่าคุณปฏิบัติแล้วทิ้งไม่ได้อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันบางคนมันตั้งคอยสังเกตที่แหลมภูมิเพื่อให้เราหวั่นไหวได้เหมือนกันนะ <c oughs> เออบางคนเนี่มันฉลาดอ่ะฉลาดในกันจะพูดให้เพื่อนท้อได้อ่ะเออต้องระวังคนประเภทนี้เหมือนกันมันมีความคิดมีคอมเมนต์ที่แหลมคมมากในการที่จะให้เราท้อเนี่ยะเนี่ยถ้าหากว่าเรามีเวรมีกรรมกับคนเหล่านี้ปั๊บเราก็ขวีเพราะมันเหมือนกันแหละอันนั้นก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองเหมือนกันนะเอออันไหนก็ตามมันอาหารเนี่ยคุณกินมันอร่อยเนี่ยคุณเสพติดมันหรือเปล่าก็ประเภทเสพติดก็กลายเป็นคนนั่นก็และ ฟู้ดแอดดิชั่นคือเสพติดอาหารกลเป็นคนอ้วนไปเลยนะโอโอ้วนอเมริกาไม่ใช่อ้วนแบบนี้นะอ้วนแบบเดินไม่ได้เลยนะต้องนั่งวินแชร์ไปอะ่ะเดินเดินไม่ไหวนี่ก็เรียกว่า Food แอดดิชั่นเสพติดอาหารลดไม่ได้บางคนแต่ว่าเราคนปกติก็ไม่เป็นอย่างนั้นห <c oughs> รือบางคนเสพติดในการซื้อของมีิยมคนหนึ่งนอกเรื่องอีกแล้ว mm hmm. มีิยมคนหนึ่งก็ไปวัด น้องเขาพาไปเขาบอกเมื่อก่อนเนี่โหแกหาแกหาเงินมาได้ไงเนี่ยไมยไ่ไปช้อปปิ้งอ่าไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งก็ฮอร์ริกของนี่เต็มบ้านเก็บไว้ในตอเล็ตเป็นสามสี่ตอเล็ตของนะเสิ้นแล้วแกจะกลับเมืองไทยไม่รู้จะเอาของนี่ไปขายที่ไหนขายเขาก็ไม่ซื้อแล้วของซื้อไว้สั่งสมมาหลายปีเนี่ยทํางานเดือนตั้งสองสามพันเหรียญ น, นี่สามีก็ไม่เอาเพราะเพราะใครเอาไม่ได้เพราะไปจ่ายของแล้วเขาก็เบื่อแล้วก็ทิ้งแล้วงั้นเถอะ พอไปไม่รู้ให้ซื้อมาทำมาเยอะแยะในที่สุดก็พอน้องเขาพามาปฏิบัติธรรมก็เลยถวายวัดวัดก็เลยมาทำการานเซียว <c oughs> <c oughs> มาทำการันเซียวาทำารเซียวทุกคนเสาที่โอขายก็ได้ได้หลายตังเงินนะค่าหมว <c oughs> จนป่านนี้ยังไม่หมดเลยตั้งขายในวัดนลองพ่อก็เลือกเอามาใช้เส <c oughs> ื้อผ้าอะไรดี เพราะฉะนั้นอันนี้คือผลของการเสพติดลักษณะอย่างนั้นมันเกินอ่มันเกิ น, น, น overconsumption เพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากเราทำพอดีนยะรู้จักพอดีปกติคนเราที่ไม่มีพิษปกติอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นแล้วการทำมันเหมือนกันบางคนทำพอได้อารมณ์วิปัสสนูนะขึ้นลดก็เอาเลยนะยกมือเต็มทีนะนั่นได้ตัวเองยกมื อ, อยังไม่พอเนวะ้ไ พูดกับเพื่อนข้างๆแลเอาอีหายกมือแล้วเดี๋ยวก็มีนะหลายคนที่ติดวิปัสสนาแล้วแบบนั้นไม่กลับไปหาอาจารย์อีกฉันรู้แล้วอาจารย์ก็สู้ฉันไม่ได้นะฮะก็เพียนไปตามแก้ก็ไม่ไดนก็มีเยอะนะเพราะนั้นนี่ก็ต้องระวังบางกันาที่มันเกินพอดีมันก็ทำให้ผิดเพี้ยนติดวิปัสสนาจิตจินตญาณวิปลาสไปเลยแก้ไม่ได้ก็มีนะ เพราะนั้นต้องต้องรู้ลิมิตรู้ความพอดีเหมือนกันว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้เอ๊ะฉันกลับไปบ้านเนี่ยพ่อฉันยังรับมาได้แม่ฉันรับสามีลูกฉันยังรับมาได้ถ้าฉันไปนั่งสร้างจไหวฉันจะทํำยังไงเอาคุณจะรู้สึกตัวคุณจะไปนั่งสร้างจไหวคุณก็ไปหยิบของก็ได้คุณจะเช็ดบ้านมีโยองคนถึงชื่อโยมเบยอยู่ที่เซลิโก้เนี่ยโอ้ปฏิบัติ ด, ดีมากนี่เขาฟังเสร็จนี้แล้วเขาไปนั่งเก็บอารมณ์ตัวเองที่บ้านจิตวันเลยนะ อแล้วก็มาก็ให้เทปหลวงพ่อเทียนไปเวลาเขาติดอารมณ์เขสงสัยเขาก็เปิดเทปหลวงพ่อเทียนฟังเปิดวิดีโอหลวงพ่อเทียนฟังก็ทําทําแล้วตอนแรกเขาก็เขาก็ติดอะ่ะเขติดก็สนุกที่แฟนเขาทางานอยู่ใช่ไหมเอเอไอวเป็นมือเป็นวันณนะแกนี่ไม่ต้องทําอะไรนะยกมืออย่างเดียวนะ <c oughs> <c oughs> มันเดียวได้อะไรขึ้นมาเนะี <c> ่ย <oughs> แกก็ได้สตินะ <c oughs> อ๋อใช่จะไม่ไหวแล้วเนะี่ยแฟนเขาดูไม่ดีแล้ว เขาก็ไปทําอย่างอื่นเช็ดบ้านทู่เลียนล้าง้วยล้างชามโอ้บ้านสะอาดเรียบร้อยหมดเลยดินี้แฟนก็าโอ้ทําไมมันเปลี่ยนแปลงัด้ขนาดนี้เลยนะแฟนชอบเลยเออทีนี้พอไม่ได้ไปเออหลวงพ่อจัดอารมณ์ที่ไหนรีบๆไปปฏิบัติตั้งแต่แกไปทําแล้วแกดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่เห็นม้ที่ทําเป็นชีวิตก็เปลี่ยนแปลงอยู่แบบหนึ่งเนาะเออก็ต้องดูเหนือดูใต้เหมือนกันว่าเคลื่อนไหวมันจะเป็นเรื่องยกมืออย่างนี้เดียวคุณจะไปเออจับแก้วขึ้นนมาเออแก้วมันเปื้อนคุณจะทำไงให้มันสะอาด ก็เคลื่อนไหวกับมันสิใช่ไหมเคลื่อนไหวอย่างรู้สึกตัวแต่ถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้สติจริงจริงมันก็สติก็หลุดไปกับงานเลยทีเนี้ยอันนี้ต้องระวังเหมือนกันไปเพลินกับงานเลยบางคนไปเพลินกับงานจนสติหลุดอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าแค่ไหนถึงจะพอดีสติหลุดไปเรารู้ตัวไหมว่ามันหลุดเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยในการดีฟีดเบื้องต้นเนี่ยต้องต้องว่ากันละเอียดในจุดนี้ก่อน ว่าจุดไหนเป็นอุปรรคจุดไหนมันเกินพอดีหมดเวลาแล้วยังเออยั ง, ออยงนะมันก็สนุกไป <c oughs> เพราะฉะนั้นในการแยกย่อยสติเนี่ยโอ้อยางที่บอกมาพี่วันหนึ่งมันมีนมเหตุการณ์แต่จริงชีวิตเรามันเป็นหมืนม่นๆอย่า ง, ง่ใช่ไหมพูดอีกสักเท่าไหร่ที่เราพูดแต่ละวันเราเคยแยกคลายกั น, นไหมการกระทําการเคลื่อนการไหวแต่ละอย่างที่เราเคลื่อนไปเนี่ยแต่ละเหตุการณ์ ใช่ไหมแค่ขยับออกจากที่เป็นเหตุการณ์หมดเลยแล้วไปเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมันแยบคายกับมันไหมต่เหตุการณ์ที่มันไรมันคิดอยู่ข้างในเนี่ยเราแยาบคายกับมันไหมสิ่งเหล่านี้เป็นเขาเรียกบุรณาการได้หมดเลยนะเพียงแต่เราไม่เพลินเท่านั้นเองนะดังนั้นเวลาเราเมื่อก่อนเรานั่งสักสมมตินั่งเล่นไพ่เนี่ยมีเยอะสาบวันสามคืนไม่ฟิกเลยก็มีเนีย <laughs> มันเพลินแล้วก็ตัวเองก็โอ้โหทุกขนาดหนักแต่มาใจมันไม่อยู่ตรงนั้นใจมันไปอยู่กับเรื่องเล่นเสร็จแล้วนะมันก็ลืมอะไรหมดเลยตรงเนี้ทําให้เราเรียกว่าหลงลืมสตินะอย่างรุนแรงดังนั้นการทําอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองจะไม่สบายทั้งกายก็ดทั้งใจดีต้องปรับละคาว่าไม่สบายในที่นี้มันหมายถึงต้องเป็นวัดเป็นไข้เป็นไอเป็นหนาวนะแต่หมายถึงว่าเรานั่งแต่ละเอียบอดมันไม่สบายเนี่ยเราก็ขยันปรับมัน ใช่ไหมซึ่งถ้าเราปรับเป็นมันก็ไม่ถึงกับเสียกิริยาใช่ไหมมันก็ก็สมูทดีก็เรียบร้อยดีแต่ว่าเราสบายเรานั่งตูงนั้นได้เป็นหลายๆชั่วโมงแล้วก็นั่งแบบสบายเมื่อทุกวิถีนางไม่บีบคัง้งจิตของเราก็ไม่หงุดหงิดไม่ลาคานไม่เบื่ออะไรง่ายโดยเฉพาะเวลาเราเป็นนักบริหารนักธุรกิจเวลานั่งประชุมทีกันเป็นวันๆอย่างนี้นะบางคนก็จเจริญสติไปด้วยไม่ใช่ไปนั่งสร้างจังหวะให้เพื่อนดูนะ แล้วก็มีปากกาอะไรจะขีดก็เขียนไปกระดิกเท้ากระดิกมือหรือบีมือเล่นเราก็ห้าไปดีเขาก็เถียงกันด่าดับกะแดงแล้วก็ทั่งเฉยฟังได้ใช่ไหม <c oughs> บทที่เขาจะเอาสติปัญญาจากเราบ้างเราก็มีโอกาสได้ใช้จังหวะนั้นใช่ไหมเราพูดอย่างมีสติมีจังหวะจากคนเวลาเรามีสติแล้วสติปัญญาปัญญามก็เกิดแล้วก็จะมีไอเดียมีความคิดดีเสนอในกลุ่มนั้น <c oughs> เขาก็ยอมรับนี่ผลดีของมันใช่ไหม พวกนั้นมมีสติกะเทียงกันโอ้โหตลบอบอวนเลเราก็นั่งฟังได้เพราะเรามีสติใช่ไหมอ่าก็เรียกว่า my full i s t e n i n g ฟังอย่างมีสติอะไรนี้อ่า my full i s t e n i n g ก็ปฏิบัติแบบฟังใช้สติในการฟังฟังอย่างมีศิลปะ the art of listening ใช้ศิลปะในการฟังใช่ไหม บางครั้งที่เราฟังเนี่ยฟังอย่างมีศิละปะฟังอย่างไรคุณไปนั่งฟังเขาถกเถียงกันสมชั่วโมงห้าชั่วโมงไม่จำเป็นต้องติดอารมณ์เอาเขาคุณก็ฟังดูลีลาเขาตลกจะตายไปใช่ไหมโหนเถียงกันแววขายสตินี่ย เราก็ดูเแล้วก็ดูเป็นศิลปะแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่เจริญปัญญามาก่อนเปไ็นองเราก็อินกับเขาไปด้วยใช่ไหมเข้า <c oughs> ข้างนั้นติดข้างนี้กูเห็นกับข้างนั้นไม่เห็นกับข้างนี้แล้วก็อินเขาไปด้วยแล้วก็ทุกดวงโลกกับเขาไปด้วยนะเอเขาเรื่อไม่มีสติในการฟังนะแล้วไม่มีสติในการที่จะร่วมอย่างนั้นพอเราเจริญสติไปเยอะขึ้นในทุกสถานการณ์เป็นสถานการณ์ได้เปรียบหมดเลยแล้วมันน่าทําขนาดไหนอแต่ทํำไมคนยังไม่ชอบอ่ะ มันยังไม่เกิดเห็นอ น, นิสงฆ์ตรงนี้นะเพราะนั้นเราจะอยู่ที่ไหนมีนมความสุขหมดแม้ในสถานการณ์ที่เดวร้ายนะมานึกถึงคำพูดของพอพุทธธาตุว่าคุณสามารถเยือกเย็นได้แม้ในการตาหลอมอ๋ออย่างนี้เองหาจุดเย็นในการตาหลอมแม้บางสถานการณ์มันร้ร้อนมันรุนแรงใช่ไหมเราก็เย็นได้ในสถานการณ์นั้นในครอบครัวเราดีพ่อแม่ ลูกหรืพอพ่อว้าเขาเถียงกันเลยนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ฟังเราไม่จําเป็นต้องอินกับเขาฟังด้ยก่อนเดี๋ยวเขาเห็นเขาเห็นเราผิดกูเอฟเห็ไมเหราไม่เห็นจอยด้วยเลยเป็นไงเ อ, อเดี๋ยวเขาหันมาถามเราอยู่เดี๋ยวคุณว่าอย่างไงมีอยู่ครั้งหนึ่งนะียหลวงพ่อเทียนนะียตอนนั้นพระธาตนะุนครพนมมั น, ม, นมันล้มใช่ไหม <c oughs> คนก็สงสัยกันว่าโอ้พระพระธาตุ ขอพระพุทธเจ้าที่อยู่ในเนโอ้คงจะแตกตัวเยอะเลยนะเป็นมากมายเลยนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีคนมากราบมาไหว้มากขันเขาบอกพระธาตุมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยพวกทิ่ศรีพวกที่เขาเชื่อเรื่องพระธาตุนะนะ <c oughs> พระธาตุมีการแยกตัวเรื่อยๆเมื่อมีคนกราบคนไหว้แล้วพระธาตุพระนมเนี่ยโอ้คงพระธาตุคงจะเต็มหมดเลยถ้ามันล้มเลยเขไปดูกันเพื่อจะไปแยกงพระธาตุกันที่ไหนได้ก็มีกระดูกเพียงชิ้นเดียวนัว่นแหละทีนี้เขาก็มานั่งถกเถียงกัน ที่วัสนามไนตอนนั้นยุคต้นๆน่ะ น, นะเอ๊ะพระธาตุมันแยกตัวจริงได้จริงหรือเปล่านี่ขนาดพระความมโนมรุ่มแล้วก็เหนยวกระดูกชิ้นเดียวจริงไม่จริงเทียงกันทั้งสาราหลวงพ่อเทนก็อยู่ที่นั่นนะแต่นั้นหมอวัฒนาเป็นหมอดูแลอาการไข้หลวงพ่อก็ อ, อยู่ร่วมด้วยก็เห็นหลว ง, พ, ง, งพ่อนั่งเงียบผิดปกติก็หันไปถามหลวงพ่อแลหลวงพ่อเรื่องนี้หลวงพ่อมีความเห็นด้วยไงเรื่องของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของเรา แกเรื่องของเราก็ไม่ใช่เรื่องของผู้ได้เจ้าโ <c oughs> อ้โหในที่ประชุมฟังตะลึงเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะเรื่องของไก่ข้องมันวะ <c oughs> จบเลยเลยเนี่ยเห็นไหมคาพูดแค่นั้นนะแต่สามารถตัดสินิก็เถียงกันมาทั้งนานๆในจบเลยมันอันนี้คือเราเหมือนกันถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอย่างนั้นนะเท่าเราก็ฟังเอาไวา้แต่ถ้าเราไม่มีสติในการฟัง เราก็เครียดใช่ไหมเพราเราต้องหลงอินเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นจึงรีบทำให้ให้ดีที่สุดยังไงเพราะในสถานรรการณ์ขัดแยง้งในสถานรรการณ์วิกฤตในสถานรรการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยมันไม่ได้บอกเราว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนใช่ไหมมันไม่ได้บอกเรามันเกิดได้ทุกทุกเวลาแต่ถ้าใครได้เตรียมเรื่องนี้ไปพร้อมก่อนเนี่ยคือคนที่ได้เปรียบนะเพิ่เพิ่ไปนั่งรถไปลงชนกันตูเ น, น, นี่ยเปยังไงการวิกฤตอะไรใช่ไหมแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวนี้ ถ้าคนที่ขาดสติก็ไปเตืน่นปวดเปิงเลยแต่ถ้าเรามีสติเราก็ดูเหตุการณ์ก่อนอะไรเป็นอะไรแต่ก็ปแปลกนะคนที่จเจริญสติจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยไม่ค่อยเจอเหตุการณ์ร้ายๆเท่าไหร่ละบางทีมันผ่านไปนิดหนึ่งวันทีมันยังไม่ถึงนิดหนึ่งนะรถจะช น, นข้างหน้ากัมันชน ก, นก่อนที่เราจะไปถึงหรืมันชนไปที่เราผ่านไปแล้วน้องนี่นะหรือ น, นั่งเครื่องบางทีเครื่องที่เราไปบางที ไ, ไปเอ็กซ์เรแล้วเครื่องที่เราไปมันไม่เป็นอะไรอะไรน้องเนี่ย ซึ่ง ม, มันมีสิ่งที่ช่วยนะเพราะฉะนั้นเจริญสติทาไปเถอะทำให้ถูกต้องทำให้เข้าใจแล้วมันมีอนุภาพในตัวของมันเองเรียกพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพในตัวของเเองแต่ทำให้ถูกต้องทำให้เข้าใจแล้วคุณสมบัติอื่นเราก็ต้องมีเช่นอะร่ระมีฮีลิอตุตปากมีศีลมีขันติสราาุรจมีความอดความทนใช่ไหม แล้วก็มีกตัญญูกตาวิธีต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้มีพระคุณของเราต่อพ่อแม่ต่อต่างๆมีความอดน้อมถ่อมตอนอะไรพวกนี้นะ่ะ <c oughs> มันจะช่วยเสริม <c oughs> ให้การเจริญสติของเราไปได้ไวแต่มตนมาเบื้องต้นมาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพอเรายังหยาบอยู่เนาะเจริญสติถ้าเรารู้เราก็เออล้วก็อวดดีของเรานะใช่ไหมก็รู้เราอย่างว่าคุณไม่รู้ชู้ฉันไม่ได้อะไรพวกนี้ย ในเบื้องต้นมันจะเป็นอย่างนี้หมดแหะเพราะมันเป็นอารมณ์แต่ในเมื่อเราได้รับทุกข์รับโทษรับวิบากจากสิ่งเหล่านี้นะมันก็เริ่มเรียนรู้ที่จะแก้ไขตัวเองมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นใ น, ในเมื่อเจริญสติที่เป็นในทางที่ถูกสมาธิถึงเราจะหยาบจะหนาขนาดไหนนะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าหากมันไม่ถูก ไม่ตรงไม่ใช่แล้วเนี่ยบางทีเราปฏิบัติเป็นคนดีมาดีดีพอไปปฏิบัติทําเสียคนเลยก็มีเพราะไม่ใช่ทางของมันแต่เราก็ไม่รู้จักแก้ไขใช่ไหมมาคนเพี้ยนไปเป็นบ้าเป็นป่วงเป็นอะไรไปก็มีเพราะอะไรเพราะยังไม่ค่อยสู่ภาวะที่เป็นสมมาธิฏิแล้วมันก็เป็นไปถ้าครูบาอาจารย์ก็แก้ไขไม่ได้นะดังนี้อันนี้ก็ต้องรู้ว่าความถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ เราจะหลงไม่หลงอุนี้สําคัญอามาจึงมาย่อเรื่องของของีสีหหรือพะ 5, ระห้าเหลือแค่สีเนี่ยจริงจังตั้งใจต่อเนื่องแล้วก็ถูกต้องถูกต้องเป็นตัวสตมเป็นตัวปัญญาจริงจังตั้งใจตัวศรัทธาตัววิริยะต่อเนื่องก็สติสมาธิแล้วถูกต้องก็เป็นปัญญาจริงจังตั้งใจต่อเนื่องแล้วถูกต้องถ้าหากว่าอยู่ในสูตรเนี้ยไม่ไม่พลาด แต่ขอให้เราตรวจสอบอยู่เสมอเราจริงจังทั้งใจหรือเปล่าเราทํารู้สึกต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วเราทําไปเนี่ยการพูดการทําการคิดของเราแต่ละครั้งเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเวลาคนอื่นเขาทักท้วงว่ามันไม่ใช่เนี่ยเรารู้จักอมาแก้ไขตัวเองหรือเปล่าที่เราดันทุนลังต่อไปเงี้ยอันนี้ก็ต้องตรวจสอบตรวจสอบตัวเองเรื่อยๆแล้วมันจะดีนะเราจะเห็นว่าการเจริญสติบแบบนี้มันมีแต่ดีขึ้นทุกวันถ้าทําถูกนะอ่า แล้วก็รายละเอียดต่างๆให้แต่ละคนไปหาเองไปของตัวเองเพราะว่าแต่ละคนมีประวัติมีแบ็กกราวน์มีความเป็นมาไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราก็ต้องทําแบบนักธุรกิจเราเป็นครูเราก็มีพื้นฐานมาแบบครูเราเป็นแม่ค้าก็มีก็ทําแบบแม่ค้าเราเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ทําแบบนั้นแต่ว่าเราจะประยุกต์อย่างไรให้มีได้สาระอันเดียวกันนะ มันก็จะต้องศึกษาตัวเองโดยการเริ่มต้นจากตัวสติที่ถูกต้องเนี่ยให้ได้ตัวสมาสติพิจารณาเข้าไปในกายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรจะทํากายของเราที่เราเห็นว่ามันเป็นตัวตนของเราเป็นสักกายทิฏฐิเนี่ยให้มันเป็นสมาติทิฐิได้อย่างไรพิจารณาในเวทนาที่มัน เดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันบ่นเดี๋ยวมันผ่อนเดี๋ยวมันเบาเดี๋ยวมันทุกข์เดี๋ยวมันผ่อนเดี๋ยวมันเบาสลับกันอยู่เงี้ยตลอดเวลาเราจะดิวเราจะจัดการกับม <mentions> ันได้อย่างไรนะในแง่ของจิตเดี๋ยวมันคิดเดี๋ยวมันไม่คิดเดี๋ยวมันพอใจมันไม่พอใจเดี๋ยวมันดีใจเสียใจเดี๋ยวมันเศร้าใจเดี๋ยวมันเหงาเดี๋ยวมันสลับกันไปแต่ละเวลานาทีนี่ยเราจัดการกับมันอย่างไรและอารมณ์อารมณ์ที่เป็นอยู่ขณะเนี้ยบางครั้งตอนเช้าอารมณ์ดีตอนสาย อารมณ์ไม่ค่อยดีอาตนบายยิ่งแย่หรือบางทีตอนเช้าเสียตอนบ่ายดีสลับไปสลัมาเนี่ยจัดการกับมันอย่างไรกายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่เนี่ยนะถึงถ้าหาว่าเราดูแลเอาใจใส่ตัวเองอยู่อย่างนี้อยู่ประจำประจำเนี่ยการปฏิบัติก็จะก้าวหน้าเห็นผลได้ไวความท้อถอยเหนื่อยห น, หน่มันจะไม่มีเลยชีวิตของเราก็อยู่ไหนก็มีความสุขไม่ไม่ได้คิดว่ามันมันจะมีอะไรต้อง ทำข้างหน้าข้างหลังผ่านมันแต่ขณะนี้เราจะทำอะไรให้ให้รู้สึกตัวแล้วสิ่งที่เราทำด้วยความรู้สึกตัวมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้ในตัวประโยชน์ต่อเราคือมีความรู้สึกตัวได้สัมผัสความจริงในตัวประโยชน์ที่เราทำออกมาคือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เมื่อก่อนเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเป็นที่ไหนเรื่องของการขีดการเขียนเรื่องหนังสือเป็นแต่พอเราทําไปทําไปมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาค่อยทําไปศึกษาไปเป็นการอัปเกรดตัวเองในแง่ของสมมติขึ้นมาเราก็เหมือนกันเวลาปฏิบัติเข้าใจแล้วเนี่ยมันเป็นอัปเกรดชีวิตของตัวเองให้มีคุณภาพขึ้นในงานการศึกษาวิธีการดูแลช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้สิ่งที่ดีๆชีวิตเราก็จะมีคุณค่าพราะในการเจริญสติ ลักษณะที่บูรณาการรอบด้านดังนั้นประการสำคัญจะทำงางให้ตัวเองเบาบางและมีความสุขโล่งปร่งเบาสบายและผลผลิตทั้งการที่มีอย่างนี้เป็นการสร้างงานสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นไปในตัวเราก็ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเรียกว่าบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทตามคอนเซปต์ของ <c oughs> พุทธกุศลนะเวลาเราสวดในธรรมบังสนสุนไทยๆเนี่ยเขาบอก บางเพนประโยชน์ตนด้วยความไม่ประมาทบางเพนผู้ประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทบางเพนทั้งประโยชน์ตนและผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทในคําสอนพรูเจ้าจะออกมาอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นได้ชมชาวเนี่ยเนาะเราก็ได้เวลาอีกวันหนึ่งพอสายๆาอาจจะได้กลับไปดูที่วัดดอยเพราะมีคนบางคนอาจจะไปเก็บอารมณ์เข้มต่อที่นั่นก็ได้นะเพื่อว่า <c oughs> ที่นั่นก็เป็นอีกสูตรนะที่นี่เบสิก ต, ต, ต้องทําอย่างนี้หมดมต้องปฏิบัติต้องทําตามแบบ ที่โน้นมันจะมีลักษณะเพิ่มเติมหลายอย่างคุณนาจจะไปนอนเจริญสตินอนโยคะหนังโยคะเดินโยคะทําไปหลายแบบเพื่อที่จะให้พัฒนาการเจริญสติได้ทั้งกายได้ทั้งใจเราต้องทําตัวเองอยังไงให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่มีชีวิตอยู่นะก็ขอบูทานาสาธุความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษาเรียนรู้ตัวเองให้ละเอียดปณีตยิ่ขึ้น จนสามารถที่จะชำระจิตของเราให้บริสุทธิ์สะอาดด้วยการทุกคนทุกท่านเทอด